สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสุภาษิตบทที่29ข้อที่23ถึงข้อที่27สิุภาษิตบทที่29บข้อ2ี่ถึงข้อ27โปรดฟังพรจชนะของพระเจ้าความหยิ่งของคนนำเขาให้ต่ำลงแต่ความทมตัวจะได้รับเกียรติผู้สมคบกับขโมยย่อมเกลียดชังชีวิตของตน เขาได้ยินคำสาบานแต่ไม่เปิดเผยอะไรเลยการกลัวคนได้วางบ่วงไว้แต่คนที่วางใจในพระยาเวก็ปลอดภัยคนมากมายแสวงหาความพอใจจากผู้ครอบครองแต่คนจะได้รับความยุติธรรมจากพระยาเวคนอยุติธรรมเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชอบธรรมและคนซื่อตรงก็เป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนอธรรม พี่น้องครับความจริงวันนี้คือการที่เราเองนั้นจะต้องเป็นหุ้นส่วนกับคนที่ดีเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเป็นหุ้นส่วนกับความชอบธรรมนั่นคือหัวข้อในเช้าวันนี้ครับให้เรามาดูในแต่ละข้อพี่น้องครับเวลาที่เราจะเลือกคบใครหรือเป็นหุ้นส่วนกับใครหรือแม้กระทั่งว่าเราจะเลือก ที่จะมีบุคลิกภาพของตัวเองแบบไหนระหว่างคนที่ชอบเยื่อหยิงกับคนที่ชอบความถ่อมตัวเพราะว่าจ้นานะของพระเจ้าได้เห็นให้เราเห็นถึงผลกระทบที่กลับกันนะครับตรงกันข้ามกันของคนที่เยอ่อหยิงกับคนที่ถ่อมตัวและเตือนสติเราไม่ทำอย่างหนึง่งและหนุนใจให้ทำอีกอย่างหนึง่งคนเยอ่อหยิงหรือความเย่อหยิง นะครับก็พยายามหาทางที่จะยกตัวเองขึ้นแต่แท้ที่จริงในที่สุดนั้นก็จะทำให้ตัวเองตกต่ำลงในขณะที่คนที่มีใจถ่อมครับคนที่อยู่ในที่ต่ำนะครับคนที่พยายามทำตัวเองให้เรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีคนอื่นรู้จักมีความถ่อมใจเขาจะได้รับการยกย่องขึ้นในตำแหน่งที่มีเกียรติพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้า ได้กล่าวชัดเจนครับว่าพระเจ้านั้นทรงเกลียดชังความหญิงยะโสเพราะอะไรครับเพราะว่าความหญิงยะโสนั้นเป็นบาปนะครับเป็นบาปโบราณเลยที่มนุษย์ตกลงมาจากมาตรฐานของพระเจ้าและเมื่อคิดถึงมารซาตานซึ่งเดิมเป็นทูตสวรรค์แต่ว่าบาแห่งความหญิงยะโสอยากจะเทียบเท่ากับพระเจ้ามีอิทธิพลทาให้ คนก็ดีมารซาตานก็ดีตกลงไปความหญิงนั้นคือการคิดตัวเองนะครับคิดว่าตัวเองเป็นมากกว่าที่สมควรจะเป็นและเป็นจริงๆพี่น้องครับขอให้พระเจ้าช่วยเรานะครับเพื่อที่จะให้สิ่งต่างที่เราทั้งหลายได้แสวงหาได้มีชีวิตยอยู่ในแงนเดกันเลือกที่จะคบใครเป็นหุ้นส่วนมีสามาัคีธรรมกับคนประเภทไหน จะต้องเลือกที่เราจะเป็นคนที่ถ่อมใจและคบกับคนที่ถ่อมใจอยู่กับคนที่ถ่อมใจครับชีวิตของเราจะได้รับผ่อนและหากว่าเราเป็นคนที่ถ่อมใจพระเจ้าก็จะอวยพรเราเพราะว่าในที่สุดนั้นคนเยื่อหยิ่งก็มุ่งไปสู่การล้มครับท่าทีที่เย่อหยิ่งของเขานั้นไม่ได้เป็นจริงเทียบกับตัวเขาเองความมีเกียรินั้นก็ คู่ควรกับคนที่ถ่อมใจครับต่อไปข้อที่24ครับผู้สมคบกับขโมยย่อมเกลียดชังชีวิตของตนเขาได้ยินคำสาบานแต่ไม่เปิดเผยอะไรเลยพี่น้องครับสิ่งที่แย่เกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนของการขโมยก็คือว่าเมื่อขโมยถูกจับนะครับเมื่อถูกจับผู้ร่วมสมคบคิดกับขโมยก็จะกลายเป็นศัตรูของตัวเอง เขาจะเกลียดจางตัวเองครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีส่วนร่วมในอาชญากรรมการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมนั้นก็จะต่อต้านเขาเองในศาลเขาจะให้คําสาบานแต่แล้วก็ต้องโกหกหรือไม่พูดอะไรเลยถ้าเขาเป็นพยานเขาก็ปักปั้มตัวเองถ้าเขาไม่พูดอะไรเขาก็จะถูกกล่าวหาว่ามีความผิดนี่แหละครับคือการครบขโมยนะครับเป็นหุ้นส่วน การครบกับคนโกงหรือไปทําธุรกิจร่วมกันมีชีวิตที่มีสามคีธรรมกับคนเหล่านี้ข้อที่25ครับการกลัวคนได้วางบ่วงไว้แต่คนที่วางใจในพระยาเวก็ปลอดภัยเป็นว่าครับการกลัวหรือว่าท่าทีของตัวสั่นไม่ใช่ยำเกรงพระเจ้าหรือเกรงกลัวพระเจ้านะครับพระกัมภีร์บอกว่า การกลัวคนได้วางบ่วงไว้หมายความว่าใครก็ตามที่กลัวเราเราสามารถที่จะใช้งานเขาได้โดยความกลัวนั้นๆพี่น้องครับเราสามารถควบคุมคนอื่นได้หรือถูกคนอื่นควบคุมได้เพราะความกลัวนี่เองเราอาจจะจํากัดชีวิตของคนบางคนได้เพราะความกลัวพี่น้องครับเป็นการดีกว่ามากไม่ใช่หรือครับที่เราจะ วางใจในพระเจ้าเราจะเกรงกลัวในพระเจ้าเพราะว่าการเกรงกลัวในพระเจ้านั้นเป็นการนําความปลอดภัยนําความมั่นคงในชีวิตมาให้คําว่าได้รับความปลอดภัยนั้นก็คือมีความหมายอยู่ในที่สูงที่เข้าหายากหรือได้รับการยกย่องครับพี่น้องครับสวัสดิภาพในพระเจ้าก็จะกระจัดความรู้สึกกลัวมนุษย์ออกไปเสียพูดง่ายๆก็คือว่าอย่า ก, กลัวมนุษย์ครับแต่ขอให้เกรงกลัวพระเจ้า เพราะว่าถ้าว่าเรากลัวมนุษย์เราก็จะถูกเขาควบคุมเราก็จะถูกเขาแมนนิพุเลตหรือเราต้องถูกเขาใช้่นั่นครับขอให้ชีวิตของเรานั้นตกอยู่ในการใช้งานของพระเจ้าดีกว่าให้เราเกรงกลัวพระเจ้าและเราจะเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าด้วยความสัตศ์ซื่ออย่าไปรับใช้มนุษย์คนใดเพราะว่าเรากลัวเขากลัวหลายอย่างครับกลัวว่าเราจะไม่ได้รับอะไรจากเขา ไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่จะมาถึงเรากลัวหลายอย่างแต่ความกลัวนั่นเองทำให้เราต้องรับใช้เขาอย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายและในข้อที่26นั้นก็เป็นความคิดต่อเนื่องกันครับคนมากมายแสวงหาความพอใจจากผู้ครอบครองแต่คนจะได้รับความยุติธรรมจากพระยาเวพระมีข้อนี้นะครับเตือนเราครับว่าคนเรานั้นอาจจะแสวงหาความพึงพอใจจากผู้ครอบครองหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอานาจ เขาปรารถนาที่จะได้รับความโปรดปรานหรือเขาปรารถนาที่จะอาศัยอยู่ภายใต้อิทธิพลใต้ร่มเพื่อจะได้รับสิ่งที่ดีแต่พี่น้องครับไม่มีหลักประกันใดว่าการที่เราทําอย่างนี้มีท่าทีอย่างนั้นนะครับจะได้ความยุติธรรมผู้ครอบครองหรือผู้นําหรือผู้ที่มีอํานาจนะครับแม้ว่าเขาจะมีเงินมีอํานาจนะครับผู้ครอบครองเหล่านั้นจะกลายเป็นบ่วงนะครับจะกลายเป็นบ่วงดักเรา พี่น้องครับการที่เราเองนั้นจะต้องมีหุ้นส่วนกับคนที่ดีครับอย่าไปมีหุ้นส่วนกับผู้ครอบครองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือเราคิดว่าพอเรามาสวามิภักข์เขาแล้วนะครับเขาจะปกป้องเราได้ตลอดไปพี่น้องครับความยุติธรรมที่แท้จริงการปกป้องคุ้มครองที่แท้จริงมาจากพระเจ้าครับพระองค์จะทรงกระทำทุกสิ่งถูกต้องในที่สุดเพราะฉะนั้นการวางใจในพระเจ้า นะครับจึงสําคัญกว่าการวางใจในคนการวางใจในพระองค์สําคัญยิ่งกว่าการกลัวมนุษย์เรามาถึงข้อที่27เครับเป็นข้อสุดท้ายคนอายุธรรมเป็นสิ่งเป็นที่สิสีเอียนแก่คนชอบธรรมและคนซื่อตรงก็จะเป็นที่สิสีเอียนแก่คนธรรมข้อสุดท้ายนะครับดูเหมือนจะเป็นข้อสรุปว่าความเป็นปฏิปักษกันระหว่างความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง ความสว่างกับความมืดความชอบธรรมกับคนอธรรมเพิ่มผีข้อนี้ทําให้เราเห็นชัดเจนนะครับคำว่าสะอิดสะเอียนนะครับเป็นคํากริยาที่รุนแรงมากแปลว่าเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนน่ารังเกียจน่าเกลียดชังมากๆสิ่งเหล่านี้ครับคำนี้นะครับใช้กับรูปเคารพครับใช้กับการที่ในสมัยก่อนนะครับเอาเด็กๆที่เป็นลูกทาโรคเป็นเด็กทารคมาถวายบูชากับรูปเคารพ สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนน่ารังเกียจและไม่สะอาดเป็นบนทินพี่น้องครับคนชอบธรรมนั้นผวงถึงความซื่อสัตย์มากจนกระทั่งเกลียดชังความไม่ซื่อสัตย์การที่คนชั่วร้ายไม่ชอบคนตรงแสดงเห็นถึงค่านิยมที่บิดเบือนไปสุภาษิต ท, ทั้งหมดทั้งมวล น, นี้นะครับก็ทําให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างคนชอบธรำและคนธรรม ภายใต้หัวข้อที่ว่าเราจะเลือกเขาเป็นหุ้นส่วนหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการงานทีมตลอดจนการมีสามเาณรธรรมร่วมกับคนเหล่านี้หรือไม่พี่น้องครับเมื่อเราเห็นความแตกต่างคนคนชอบทําคนอธรรมนะครับเราจะอยู่ฝ่ายไห น, นครับคําว่าตรงกลางไม่มีครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเลือกที่จะ ครบกับหรือเป็นหุ้นส่วนกับคนชอบทำอารเมน